ก็กราบคารวะคณะสงฆ์ทุกรูปแล้วก็เจริญสุขเจริญในธรรมญาติโยมนักปฏิบัตทิทุกท่านก็ในช่วงทำวัดสั้นๆนึกถึงสมัยหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านจะทาวัดแค่นี้ น, ะน้ำโมเจบก็นั่งคุยกันพูดกันไม่ใช่เรื่องเทศหรือเรื่องสอนแต่เป็นการ ราประสบการณ์ต่างๆได้ฟังโดยเฉพาะในวิธีการหลวงพ่อเทนจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่ที่ตัวเองได้ประสบมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นใช่เป็นการเชิงบรรยายเชิงวิชาการหรือเชิงปริยัติานั้นแต่ว่าจะพูดถึงว่าปฏิบัติมาเป็นอย่างไรซึ่งต่อมาในชั้น ลูกศิษลูหาก็ทำในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเออพระในวิธีการบทเทียนมยีแต่พูดในเรื่องของตัวเองบางคนตั้งคอยสังเกตซึ่งถ้าเอาเรื่องของอื่นมาพูดน่ยเราก็พูดได้ถูกเพราะว่ามันคนละคนกันแต่ถ้าพูดเรื่องของที่เราประสบมาเนี่ยมันก็พูดได้ถูกเพราะเราประสบด้วยตัวเองหรือว่าเป็นความจริงเพราะงั้นถ้าหากว่าเรา รู้เรื่องของเราเองได้ละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้จากความจริงของโลกมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าโลกทั้งโลกมันจะมีของสองอย่างมีรูปกับนามมีกายกับใจมีวัตถุส า, สารมีส า, สารมีพลังงานแค่นั้นมีเอเนจีกับโมเลกุลธรรมศาสตร์เขานั้นเลยลาาเเมีของสองอย่างทีนี้ถ้าก็ของสองอย่างมันก็มีอยู่ที่เรา ถ้าอยากจะรู้จักโลกนี่ก็รู้จักตัวเรามันก็รู้ทั้งหมดนะดังนั้นเองถ้าจะสังเกตให้ดีเนี่ยถ้าจะถามโยมย้อนหลังไปไม่ต้องก็งเช้านี้เอาแต่แต่ว่าสองชั่วโมงที่แล้วมาเนี่ยก่อนที่จะมานั่งที่นี่โยมลองระลึกย้อนหลังไปดูว่าภายในสองชั่วโมงเนี่ยโยมเดินไปไหนมาไหนบ้างในช่วงที่เดินและทํากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ย ได้เห็นตัวเองทุกขณะไหมทุกเวลานาทีไหมในสองชั่วโมงเนะี่ยย้อนคืนคืนไปคืนไปคืนไปถามว่าเป็นการคิดถึงอดีตหรือเปล่าไม่ใช่คิดถึงความจริงที่ผ่านมาไม่กี้นี้นะยังไม่เป็นความจริงอดีตที่เป็นเมื่อวานก่อนแต่ว่าก็แปลกนะเราไม่ค่อยคิดถึงอดีตที่ใกล้ๆหรืออนาคตที่ใกล้ๆในตัวเรา เรามักจะไปคิดถึงอดีตและอนาคตที่ไกล้ๆตัวเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมเพราะอะไรโยมเราคิดถึงอดีตที่ใกล้ๆตัวเราลหลายปีหลายเดือนไปนั่นน่ะแต่อดีตที่ผ่านมาไม่กี้ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเลยเราไม่ค่อยคิดถึงเยอะไหมว่าแปลกใจมาเพราะอะไรจืดเป็นอย่างนั้น <c oughs> ใครนึกออกบ้าง ซึ่งไอ้ที่ผ่านไปใกล้ๆเนี่ยน่าจะระลึกจําได้ง่ายกว่าใช่ไหมแต่เรากลับไม่ค่อยได้ไดลึกกับมันแต่ผ่านมาหลายวันหลายเดือนหลายปียิ่งเท่าไปรู้ลิื่งชาติที่แล้วยิ่งไฟนั่นเองเนะี่ยชอบเพราะอะไรเคยถามตัวเองไหมเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมพวกเรามากักจะต้องฝึกนึกฝึกคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยนึกยคิดเท่าไหร่ ถ้าถามโยมไปต่อไปจากข้างหน้าจากนี้ไปอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพอจะนึก อ, ออกไหมนึก อ, ออกนะนั่นนี่เราก็บอกลูกจากนี้ไปอยไปบอกว่าจะไปนอนเลยเนี่ยคงจะห่างไปมั้งลุกจากนี้ไปจะลุกอย่างไรก้าวซ้ายออกหรือขาวาออกก่อนจะก้าวเท่าไหน แต่จากนี้ไปที่นอนของเราเนี่ยมันกี่ก้าวเล่ลึกอย่างงี้ั้ ม, มก็ไม่ได้ลึกอีกทั้งทั้งที่มันเป็นจริงมเคยจริงความจริงที่เราจะต้องทำอะ่ะใช่ไหแต่เราไม่ค่อยคิดถึงมันเพราะอะไรไเคยคิดเรื่องนี้ไหมจะเป็นความจริงั้ยแต่ทำไมเราไม่ค่อยคิดถึงมันม <laughs> แม้แต่เกิดมาแล้วก็ําไเม่อกี่สองชั่วโมงนะีถ้าถามโยมโยมก็ ตอบไม่ถูกกอนใช่ไหมจากที่อยู่เดินมได้กีเก้าเนี่ยยังตอบไม่ถูกกันใช่าแล้วคิดเรื่องอะไรบ้างสองชั่วโมงเนี่ยพอจําได้ไหมเรื่องดีกี่เรื่องเรื่องไม่ดีกี่เรื่องเรื่องถูกกี่เรื่องเรื่องผิดกี่เรื่องเรื่องสบายใจกี่เรื่องเรื่องไม่สบายใจกี่เรื่องเรื่องอดีตเท่าไหร่เรื่องอนาคตอะไรเราก็ไม่ค่อยแต่ความจริงสี่เหล่านี้มีอยู่ใช่ไหมมีอยู่เนี่ยดังนั้นเอง การปฏิบัติธรรมจะสอนให้เราได้ลึกรู้ในสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ท่านให้คาจํากัดความดีท่านบอกว่าอดีตก็คือหนึ่งวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ไปอนาคตก็คือหนึ่งวินาทีที่กําลังจะมาถึงนี่แหละนั่นแสดงว่าอดีตกับอนาคตคืออะไรจริงๆแล้วคืออะไร อ่าคือปัจจุบัน <c oughs> ตอบเป๊ะเลยถ้าเราเร า, เราอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวเราเห็นอะไดีอนาคตไหมอ่ามันก็เห็นนะเห็นคือเป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีแต่ว่ามันก็คือมันมีอยู่แต่มันไม่จริงอ่ะนะเหมือนเรานาั่งรถไปบางวันนะนั่งหน้ารถใช่ไหมแดดแสงแดด แต่กล้าเนี่เรามองเห็นข้างหน้านมันแพลบเลยแล้วฝนตกแต่พอรถวิ่งไปถึงไงไอไอมันแผลบเมื่อกี้มันยังมีอยู่ไหมเหมือนถนนชุ่มมากเลยอะ่ะพอไปถึงจริงมีไหมแต่เราเห็นจริงใช่ไหมแต่สิ่งที่เราถือสิ่งที่ถูกเห็นจริงหรือไม่จริงไม่จริงแต่การเห็นมีจริงนั่นการนึกการคิดเพื่อดีนาคต มีจริงแต่สิ่งที่เป็นอดีตอนาคตมีจริงหรือไม่จริงไป <c oughs> พิจารณาเรื่องนี้ให้ดีนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องใส่ใจเรื่องปัจจุบันเรามันจะเห็นอดีตอนาคตของมันเองแต่ว่าคําว่าปัจจุบันเนี่ยมันปัจจุบันวงแค่วงแคบหรือวงกว้าง <c oughs> หมายความว่าไงวงแคบหมายถึงว่าภายในหนึ่ง วินาทีเล็กหนึ่งนาทีจากนี้ไปและภายในหนึ่งนาทีและวินาทีกําลังจะมาถึงเนี้วงวงหนึ่งนาทีนะถ้าวงสิบนาทีเป็นไงที่ผ่านมาสิบนาทีเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เรกได้ไหมเราจะได้หิวใช่ไหมได้ลางๆใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ชัดอ ะ, อะถ้าวงต่อไปครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ก่อนนี้เป็นไงยิ่งยิ่งเลื่อนไปเรื่อยใช่ไหม อ่ายิงกว้างไปยิ่งเลือนไปยิ่งเลือนไปยิ่งเลือนไปแต่จุดนี้แหละคือจุดปฏิบัติให้ระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆว่าสิ่งที่เราผ่านไปเพื่อที่เราจะย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาได้ชัดตรงนี้ท่านใช้คําว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงลืมในสิ่งที่กําลังจะเข้ามาและในสิ่งที่กําลังผ่านไป เป็นตัวตัวหนึ่งที่สำคัญท่านใช้คำว่าสัมปชัญญะาพระคืออสัมโมหะสัมปชัญญะคือการระลึกรู้ไม่หลงลืมในสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปนะ <c oughs> ถ้าหากเราคอยระลึกอย่างนี้เสมอเนี่ยเราก็จะคอยรู้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆระหว่างการรู้ตัวปัจจุบันกับความจำ อดีตที่ผ่านมาได้เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งฟังให้ดีนะระหว่างที่เราลึกสิ่งที่ผ่านมาก็กำลังเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งยากไปใช่ไหมถามหมว่าเราเมื่อ20ปีก่อนกับวันนี้ คนเดียวกันหรือคนละคนผมเส้นเดิมหรือว่าผมคนละเส้นผมเส้นเดิมยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วบอกจะเอาคนเดียวกันได้ไหมเพราะฉะนั้นโอ้ยุงตัวนี้กิ่นสนิทเลยนั่นเองดังนั้นเองในสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่มองข้ามนะ แม้แต่อยว่าแต่วันนีนะ้หรือปีที่แล้วมาหรือเดือนแล้วมาแม้แต่สามวันที่ผ่านมานะข้าวจานที่เราเพิ่งทานเข้าไปเมื่อสามวันวันนีก้กับวันนั้นมันคนละจานเลยใช่ไหมจารย์เก่าเขาผ่านไปจานใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนทุกวินาทีเราเป็นคนใหม่ทุกนาทีก็เรียกเป็นความต่อเนื่อง ถ้าจะถามชัดเข้าไปกว่านั้นก็ว่าเราจุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่มแสงเทียนที่เราเห็นนี่กับแสงเทียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาก็แสงเทียนนี้เป็นคนละแสงหรือแสงเดียวกัน ừ? Ừ? Ừ? ถ้าตอบแบบโกนๆหน่อยก็ว่าคนละแสงเดียวกันขอรับ <c oughs> คน ส, น, นสมัยใหม่ใช่ไคนละแสงเดียวกันเพราะฉะนั้นกฎแห่งความต่อเนื่องเนี่ย มันเป็นสิ่งที่บทบังเราว่าเราสําคัญว่าเราเป็นผู้หญิงวันนี้เป็นผู้ชายวันนี้เป็นพ่อบ้านวันนี้เป็นแม่บ้านวันนี้เป็นคนเฒ่าคนแก่วันนี้ที่เราคิดมันก็คือโกฎในความต่อเนื่องถ้าเราย้อนย้อ น, ย, อนย้อนย้อนย้อนย้อนเก่าึ้นไปตั้งแต่ heaven, เราเกิดเราย้อนตั้งแต่เราเกิดคืนไปอีกตั้งแต่เราปฏิสนธิย้อนจากเราที่ปฏิสนธิคืนไปอีกเนี่ยเราเป็นอะไร ใช่ถ้าเราฝึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนี่ความสำคัญมันหมายเลยอุปทานของเราก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเราไม่มีอะไรเลยนะใช่มแต่ที่มันมีวันนี้ก็เพมาะมเป็นความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงท่า น, นเองนะเรื่องนี้ยาก ไ, ไหมยากเนาะสำหรับนักเรียนใหม่แต่ฝากบทเรียนไว้ก่อนก็แล้วกันไม่ค่อยได้มาบ่อย นั้นสำหรับผู้ใหม่ยกมือขึ้นว่าใครเพิ่งมางานนี้ยกมือขึ้นหมายควาว่าใหม่จริงๆเลยนะไม่เคยมาเลยนะขอดูหน่อย <c oughs> สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดสิบสองสิบสาสี่คนโอ้เยอะองค์กันนี้เนาะครึ่งต่อครึ่งเลยละนั้นสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะนำเสนอในที่นี้ก็คือว่าขณะที่โยมมาเข้าปฏิบัติลักษณะอย่างนี้เนี่ย สำหรับคนที่ไม่เคยมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญมากเบื่อมากอย ก, กลับบ้านมาได้หลายครั้งเพราะเราไม่เคยนะการกินการอยู่การดับการ น, นอนการอยู่การโขกการฉันอะไรนี่มันมันแคบไปตรงข้ามมันหมดถ้าเราจิตใจของเราไม่มีศรัทธาไม่มีความ อ, อดทนทจริงๆนะเราเพคงจะอยู่ไม่ได้ตลอดลหรือเราจะอยู่ได้ตลอดเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยกลับมาอีกเลยเข็ดเลยทีนี้ แต่ถ้าเราตั้งใจอีกแบบหนึ่งว่าเออนี่เรามาศึกษาปริญาชีวิตนะไม่ใช่ปริยาธรรมยาปริยาเอกเพราะฉะนั้นมันคงไม่ง่า ย, น, ยนะตั้งไปเลยมันคงไม่ง่ายดอกนะเรามาเรียนปริยาเอกนะไม่ใช่ปริยาตีปริยาโทนะคือหมายความปริยาเอกปริญาที่ทําจิตให้เป็นหนึ่งอ่ะเอกไว้ว่าหนึ่งใช่ไหมทำให้เป็นจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับกายเนี่ย <c oughs> ถ้าจิตออกจากห่างกายนี่หนึ่งเขาเรียกปริญาโทแล้ว ภูริไปไวิสง่งใช่ไหมที่ห่างไกลโอเล่เป็นปิดตรีห่างไกลโอวิเป็นมัธยมปลายห่างไกลโอวิเป็นปิยตุน้นห่างไกลโอวกปเป็นอะไรปรถมมปลายห่างไกลโอวอี ก, ปออกปเป็นประถมต้นห่างไกลโอวกปเป็นอนุบาลใชเราเราเราเห็นว่าวงของเราเนี่ยเรามาถึงจุดนี้โอ้มันเป็นทั้งกายกับใจใเป็นหนึ่งเดียวกันคือปัจจุบันขณะเป็นปริยาเอกนะ มันเอกกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้ น, น, นหน้าที่ของเราก็คือถ้าอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เริ่มต้นด้วยปริยาตรีโทรมาตรีหมายาว่าจิตใจร่างกายและอารมณ์ถ้าแยกกันอยู่นะยังเป็นปริยาตรีแปลว่าสามยังไม่ตรีเอามีกายกับใจมีรูป ก, กับนามก็ยังเป็นปริญาโทรคือเป็นสองอยู่ กายกับใจยั ง, ยงแยกกันอยู่เมื่อไหรกายกับใจรู้สึกเป็นสิ่งเดียวกันนะได้ไหมก็คงจะยากน่าดูมันก็ <c oughs> อย่างน้อยพอเพลอปั๊บมันไปแล้วใช่ไหมพอเพลอปั๊บมันไปแล้วส่วนจะไปใกล้ไปไกลไม่รู้ถ้าไปใกล้ๆก็สองสามขณะรู้สึกตัวเป็นยาโถไปไกลอีกหน่อยออกไปขณะหนึ่งกลับมาเป็นแล้วเดี๋ยวเดียวนะ ดังนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่มันยากเพราะเรายังไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองนะยังไม่คุ้นเคยอะไรก็ตามที่เราลงมือทำใหม่ๆเนี่ยดูมันเป็นเรื่องยากไปหมดอ่ะแต่พอมาเริ่มเป็นเริ่มคุ้นแล้วเนี่ยสนุกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้สนุกแต่บางเอื่นที่วัดเราเนี่ไม่ค่อยมีเรื่องที่สนุกเท่าไหร่นะมีเรื่องที่ต้องให้อจริงอจังกันทั้งนั้นนะ เพะในจุดนี้จึงอยากจะเสนอแนะว่าให้เราทำใจว่าเรามาศึกษาต่อต่างประเทศนะและประเทศนี้เราไม่เคยมาประเทศแพร์เซนเทียนนี้นะคน <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมาเลยประเทศนี้แต่เราก็ได้มาแล้วบางคนมาหลายครั้งนะก็จะคุ้นดีว่าประเทศนี้เขามีระบบมีกฎหมายมีอาหารการกินมีระบบระเบียบอะไรแบบนี้เหมือนเรามาต่างประเทศนะ แต่ถ้าหากว่าเราสามารถผ่านประเทศนี้ไปได้เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะเพราะสมัยก่อนลาบากคนนี้เยอะนะเพราะสมัยนี้ก็สบายที่ว่าลาบากก็คือเรามันยังเป็นลกเป็นป่าอยู่ยมีตะเข็บมีงูมียูมีมแมลงป่องนะพระโยมโดนกันบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ปลอดภัยเยอะ แล้วก็กุฏิเมื่อก่อนก็เป็นกุฏิยาคาฝนตกมาก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังแ ล, ล, แล้วลมแรงมากก็สาดเปียกหมดแต่เมตื่นขึ้นมาพวกแต่เข็บตะขาบงูมันหนีน้ําหนีฝนเ่ยนะเข้าไปนอนใกล้ๆมุ้งเฉยเลยเพราะฉะนั้นตื่นมาเจะลืนลุกเลยไม่ได้ต้องต้องขยับดูก่อนว่าอะไรมานอนใกล้ๆหรือเปล่าเนี่ยขนาดนั้นนะสมัยก่อนแล้วก็พอหน้าแรงขึ้นมาเนี่ย พุทธะมาก็ไม่ค่อยได้อยู่ว่าเราพากันออกวัดไปทุดงเพราะอยู่วัดินน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งบางอากาศร้อนจัดบ้างเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยลำบากแต่ว่าทําให้เรามีความอดทนสูงพระสมัยนั้นที่เ ว, ว่าออกจากวัดไปนี่ก็ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์กรรมฐานได้เลยแต่สมัยนี้ตรมาสมัยนี้สบายสบายพอทีนี้สบายเท่านี้ไปหาที่สบายแห่งใหม่ไปหาที่สบายแห่งใหม่อยู่ที่นี้ไม่สบาย ก็เลยติดสุขติดสบายนะแต่พอมันลำบากเนี่ยมันก็เห็นว่าความลำบากเป็นเรื่องเล็กน้อยละเราจะทำอะไรมากกว่านี้ก็ไม่กลัวล ะ, ะการไปเผยแพร่การไปสร้างสนักหลักแหล่งการไปทำงานหนักกว่านี้ก็ไม่กลัวเพราะมันเคยผ่านความลำบากมาอย่างโชคโชนแล้วก็ไม่กลัวอันนี้คือซื้อว่าได้ล ะ, ะทุกเราไม่กลัวแต่เราก็ ไม่ประมาททุกแต่เราไม่กลัวไฟนี่ถ้าเรากลัวไฟแล้จะนั่งแบบสว่างสว่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่เราไม่กลัวไฟแต่เราใช้ไฟทุ ก, เ ร, ก, ก, ทกเราอย่ากลัวทุกเราอย่าหนีทุกแต่เราใช้ทุกใช้ทุกให้เป็นแสงสว่างนะใช้ไฟให้เป็นแสงสว่างดังนั้นเราก็รู้ว่ารูปนามร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกของความ อันนี้จังกของอนัตตาตลอดเวลาทีเดียวนะเราจะไปฏิเสธไม่ได้นั่งสักพักก็ปวดนั่งสักพักก็เมื่อยนั่งสนักพักก็เบื่อนั่งสักพักก็ขี้เกียจนั่งสักพักก็ง่วงเหงานั่งสักพักก็ฟุงรร้งซ่านนั่งสักพักก็ลำคาบไม่ใช่ทราบไปสบาอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าสมมุติเราเอาจิตของเราเไปจมแช่อยู่กับภาวะแบบเนี้ดีไหมไม่ดีจิตของเราจะถูกเผาจิตของเราจะอ่อนจะ ปวดเปียกจะล้าจะเมื่อยจะอะไรไปไม่มีกำลังเลยแล้วก็จะเกิดความไม่สะดุกขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่พอเราเห็นว่าทุกข์ที่ปรากฏนี้คือสนามเป็นสนามฝึกซ้อมที่ดีที่สุดของชีวิตเราเหมือนกับนายช่างตีเหล็กเขาติดไฟขึ้นมาธรรมดายังไม่พอต้องใช้ลมเป่าให้มันแดงใช่ไหม เพื่ออะไระเพื่อเป็นสนามฝึกเหล็ก <c oughs> เหล็กที่มันแข็งเนี่ยฝึกให้มันอ่อนได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมดัดให้เป็นค้อนเป็นเคียวเป็นมีดเป็นจอบเป็นเสียมได้หมดเลยเพราะอาศัยสนามของความร้อนจิตของทุกคนเราเนะี่ยมันก็มีความแข็งกระด้างราทถืนมาก่อนทุกคนนะใช่แข็งด้วยอำนาจราคะอานาจทวสระอานาจมุหะพอมาได้กาลังของทุกเปลือกเสมือนไฟ ทุกที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่พอมันน้อยไปทำไงเหมือนกับช่างตีมีดใช่ไหมไฟที่ติดฐานธรรมดาเนี่ยพอจะทำให้มีดแดงได้ไหมไม่ได้ทำไงเ ป, เป่าลงุเาลงเข้าไปเพื่อให้มันแดงจะจัดแต่สมัยนี้ไม่ต้องสูบแบบนั่นะอะไรใช่ไรมกดสวิตเพาอเดี๋ยวปึง้ง <laughs> เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามันให้แดงปุ๊บเดียวก็ได้ไฟแดงลก แล้วมันก็ฝึกเหล็กที่แข็งที่สุดให้อ่อนได้จิตของเราเนี่ยที่เรามีทิฏฐิมานะกล้าแข็งเนี่ยแต่พอเราเอามาเป่าไฟเผายกมือนี้คือดุนไฟนั่นนะเร่งไฟนั้นนี่นะไม่ใช่ธรรมดาเร่งไฟให้มันร้อนถ้าทําไปแล้วด้วยสุเมมันมีความสุขเหลือเกินมีความสบายเหลือเกินนี่อันนี้ไม่ถูกแล้วนะ ออถ้าทําไปยิ่งทุกข์ยิ่งเบือ่อโอนั่นถูกแล้วแสดงว่าความร้อนมันขึ้นแล้วต้องรีบทําให้มันมากขึ้นทีเดียวพเพราะเหล็กมันจะได้แดงได้จะได้ตีได้เงี้ยถ้าทำไปรู้สึกไหมมันสบายมีความสุขอะไรโอ้ไม่ขอทาแล้วนะั้นต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทีงเราจะเห็นว่าเราอย่าเห็นทุกข์เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้จักใช้ พระพุทธเจ้าท่าบอกทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องเข้าใจทุกต้องศึกษาทุกต้องสังเกตทุกต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นคุณค่านะท่านไม่ได้บอกว่าต้องหนีทุกข้นทุกหลบทุกเรืนทุกหลบทุกไม่ต้องทุกต้องรู้ต้องรู้จักวิธีใช้มันแต่สิ่งที่ท่านให้ละให้ห่างให้หนีคืออะไร เหตุเหตุเกิดทุกอพูดยังไงให้รู้จักทุกแต่นี้เหตุมันเข้าใจไหมสมุทัยคือต้องละใช่ไหมตามภาษาทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละสมุทัยคืออะไรถ้ายอมปวดขายมร้อน กายเป็นทุกข์หรืใจเป็นทุกข์ฮะกายเป็นทุกข์หรใจเป็นทุกข์เอาให้เย่ตอบให้ดีนะอันนักเรียนใหม่ขณะนั่งเนี่ยปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวเนี่ยกายเป็นทุกข์หรือใจเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใช่ไหมทําไง <c oughs> <c oughs> ต้องรู้ <c oughs> ว่า สิ่งที่ขณะที่เราเป็นขณนะนี้รู้ว่าไงรู้ว่าทุกที่เกิดขึ้นเพราะอะไระเหตุของทุกข์เกิดทางกายคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคืออันิีจังทุกเป็นผลอันนีจังเป็นเหตุใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราปวดขาปวดแข่งปวดหลังปวดเอวถ้าเราเข้าไปแก้ไขปรับ แก้เท่าที่เราจะปรับได้เนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่ปรับแก้รู้สึกอย่างไรสมมติปวดขา ย, ยกขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปรู้สึกยังไงสบายใช่ไหมสัาพัมันก็ปวดใหม่อ่าแล้วทำไงต่อไป โยงอีกนะว่าทําไมโยมไม่มีความบ ท, ทนเลยพระก็จะเดิมหนี้นะเปลี่ยนอยู่เลยเลยสู้มันนั่นแหละมันเป็นไอนิจังทุขังนาตาไปยุ่งกับมันทําไมปล่อยมันไปเรามันเป็นของไม่มีโตัวตนเนี่ยคิดอย่างนี้ถูกไหมอันนี้แหละพระกรรมฐานส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แหละแต่าถามว่าถูกไหมโยมไปเห็นบ้านไฟมันกำลังไหม้ยอยู่ไฟกำลังไหม้บ้านโอ้ยไปยุ่งกับมันเลยบ้านก็เป็นไอนิจังทุขังนาตาไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นห น, น้าตาปล่อยมันไม่คิดนี้ถูกไหมอ่าคิดถูกคิดยังไ ง, อ, งไอดทนเราโยมไม่ก็ช่างมันเราไม่ปล่อยวาง <c oughs> อยู่ยังไงก็ได้เพราะว่าไม่ไม่นานเราก็ตายแล้วช่างมันเถอะคิดอย่างนี้ถูกไหมถูก <c oughs> แต่ส่วนใหญ่คิดอย่างนี้นะอ่าอย่าไปยุ่งกับมันร่างกายเป็นนิจช่งทุกข์หน้าตารู้จักปล่อยวางใช่ไหถูกไหม มันไม่ถูกนะไม่ถูกทุกต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรท่านไม่ได้ให้หลบให้หลีกให้ปฏิเสธทุกต้องแก้ไขทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจทุกต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรอ่ะอันนี้ต้องต้องต้องรู้นะแต่ว่าสมุทัยต้องละอะไรคือสมุทยัยเหตุเกิดใช่ไหมเหตุเกิดมีสองอย่างสมมติว่า ร่างกายมันปวดเนี่ยมีเหตุมาจากอะไรที่บอกเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้จำใช่ไหมอ่าจาให้ดีนะ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเอามารู้สึกปวดขาไม่ทำไมนั่งนานเลือกเกิน น, นั่งหลายชั่วโมงปวดขาเมื่อไรจะเลิกสียทีตรงนี้เป็นอะไร ที่คิดอย่างเงี้ยเป็นอะไรเอ้ามาเป็นดานหาไปยังเป็นไม่เป็นสบายใจหรือไม่สบายใจเป็นไม่สบายไม่สบายใจไม่สบายใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความรู้สึกทางใจเนี่ยเป็นอนิจจังไหมเออแต่อีกคนหนึ่งปวดขามกัน ปวดขาถ้ามวลาปวดขาแก้ไขขาตอนไหนคิดลำคาญให้ทำไมใช่ไหมไปคิดอะไรระหว่างคนสคนคนเมื่อกี้รู้สึกกูเห็นลำคานเพราะใช้เวลานานเหลือเกินมานั่งแช่เนร้อนก็ร้อนพัดลมก็ไม่ให้เปิดอย่างงี้นะอีกคนคิดโอ้โปวดขาก็คือเปลี่ยนแต่ร้อนนี่เปลี่ยนยากหน่อยทำไงก็รู้มันต่อไป กำรู้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงของธาตุของขันจิตก็ไม่ได้เกิดความหมู่ดีลำคัญเลยเกินนู่นเฉยแต่เมื่อไรอีกคนนึงบอกโอ้ไม่ไหวอย่างว่าี้ปับ๊บจิตบ่นขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าสมูทัยตัวที่จิตคิดต่ออาการเหล่านั้นแล้วเกิดการลำพันบ่นเพลอวไปในทางที่เป็นฝ่ายอากุศลเรียกว่าเป็นสมูทัย ดังนั้นเหตุที่มันก่อให้เกิดความพอไม่พอใจอันนั้นเราไม่เรียกว่าอานิจจงเราเรียกกับอะไรเมื่อกี้คุณตอบผูกนะคําแรกอะแต่ว่าตอบรัดขันตอนไปหน่อยอคําแรกคุณตอบว่ายังไงนะดัญหาเพราะมันอยากจะพ้นไปจากตัวําคานตัวร้อนตัวทุกตัวนั้นแต่มันไปไม่ได้แต่มันอยากจะไปมันอยากจะหนีมันอยากจะลุกไปใช่ไหมแต่มันไม่สมอยากอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร อยากแล้วไม่สมอยากเรียกว่าวิภาวะตันห า, า อ, อยากแล้วได้สมอยากเรียกว่าภาวะตันหาแต่ว่าอยากแล้วก็วต้องสแสวงหาจนได้แหละแต่บางทีวิภาวะตันหาเนี่ยเราอยากเหมือนกันอยากสบายแต่มันไม่สบายคืออยากสบายนั่นแหละ คืออยากสบายแต่มันไม่สบายอ่ะมันตรงกันข้ามมันก็เป็นวิพวทอันหาคือไม่ได้สิ่งที่ต้องการตัวนั้นเขาเรียกเป็นสมุ ท, ทยัยเั้นทุกทางกายเนี่ยก็คือทุกไม่สบายกายแก้ไขได้ใช่ไหมแต่ทุกทางจิตเนี่ยมันเกิดมาจากความอยากอ่าเกิดมาจากความอยากอยากจะพ้นไปจากภาวะ น, นั้นแล้วแทนที่เราจะมีความ รู้สึกว่าภาวะที่ไม่สบายในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้เป็นภาวะที่ต้องทนเราไม่ทุกเรื่องหนึ่งก็ต้องทุกข์กับเรื่องหนึ่งไม่สบายเรื่องหนึ่งก็ไม่สบายเพราะนั้นความทุกข์ทางกายนี้เราจรึงไม่เรียกว่าเป็นสมูทไทยเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าทนได้ยา ก, ยากอ่าภาวะที่ทนได้ยากเท่านั้นเองแต่ถ้าว่า เราทนได้มันกลายเป็นเลยทันทีเป็นสุ ข, สขอทุกแปลว่าทนได้ยากสุแปลว่าทนได้ง่ายทนได้สบายวันที่สุกทุกจึงเป็นสิ่งเดียวกันแต่คนหนึ่งทนได้คนหนึ่งทนไม่ได้คนที่ทนได้เขาเรียกคนนั้นมีความสุขคนไหนทนไม่ได้คนนั้นมีความทุกขเพราะฉะนั้นทุกเป็นสิ่งที่ต้องทนไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวดังนั้นเวลาสมัยครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าพบกับพระท่านไม่ได้ถามว่า สบายดีไหมสวัสดีไม่ได้ทักกันแบบนั้นท่านจะทักกันว่าเขมรนยังอบูโซภาษาแข่งนะแปลว่าโพทุลได้ไหมพ <Okay. S 1> า, าเขายียวเขามรนยังพันเียพทูได้ขอรับ <Okay. S 1> <laughs> เขาก็จะถามกันมแต่คนไทยเราเจอหน้ากันเห็นหน้ากันทักกันว่าไง <Okay. S 1> สบาดีไหมสวัสดีออ่าง มันไม่สบาย ด, ดีหรอกฉันกาลังปวดอยู่แต่ได้แต่เราก็ตอบตอตามประพีตามทนรมเนียสบายดีไม่สบายอะไรจะปวดก็ได้อันนี้มันเป็นวรเพณีนะดังนั้นทุกที่ว่านี่คือทนได้ยากเท่านั้นเองแต่ว่าทางใจที่มันอยากแล้วไม่ได้สมอยากเนี่ยมันไม่สบายใจความอยากแล้วไม่ได้สมอยากกับ ความไม่สบายที่ขาเนี่ยอันไหนแก้ง่ายอันไหนแก้ง่ายกว่ากันความไม่สบายที่ขาอ่พาพอขยับมันก็หายได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะลุกหนีมันไม่ได้ลุกเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกเป็นยัไงแก่ฮะแก่อยากมากเลยใช่ไหมอ่าถ้าลุกไปก็รู้สึกมันก็ไม่สบายเดี๋ยวมันก็ไปทนกับเรื่องใหม่อีกนี่เขาเรียกว่าสมูทัยนะสมูทัยสมูทัยท่านให้ละให้แก้ให้สลัด คือหมายเขาว่าสลัดความอยากออกแต่ว่าคุณจะไปสลัดความมุงหนีลมคานไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวให้สลัดแต่ไปสลัดความอยากอ่าคือหมายความว่าแทนที่บอกว่าอยากจะหนีไปก็ไม่หนีซะก็อยากากลับมาพอใจก็ดีก็คิดไปทางตรงข้ามคิดก็ดีเหมือนกันนะเรามานี่สบายนะถึงเวลาก็ได้กินถึงเวลาก็ได้นอนมานั่งภาวนาเรามีใจได้ก็ได้ใช่ห ถ้าหาไวปพักที่โรงแรมที่รีสอร์ทคืนั้งใช้ตังไงใช่ไหมมาที่นี่ฟรีหมดเลยอแต่ว่าคุณจะจ่ายก็เป็นเรื่องศรัทธานะไม่ใช่เรื่องต้องบังคับเนะี่ยมาแล้วไม่ได้จ่ายสักบาทใครก็ไม่ว่าอะไรนะอะแต่นี่คือเอ้สบายเหลือเกินนี่นะไม่ต้องทํามาหากินอะไรนี่ามานั่งปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ครัวก็ไม่ได้กับเรานะเราเป็นคนได้ใช่ไหมเออทําไมจะดีขนาดนี้เนี่ยเราก็ฝึกคิดไปทางนี้ถ้าคิดที่ไปนี่ไปทนได้ไหมทนได้สบายเลย แล้วไอ้ตัวภาวะที่ตงงรงมีลำคัญมีไหมนี่คือเราว่าใช้ปัญญาเข้ามาแก้ทุกนั่งก็ดับสมุทัยก็ดับเพราะฉะนั้นตัวนิโรธเกิดขึ้นเพราะใช้ปัญญาใช้สติปัญญาให้พิจารณาไปในฝ่ายกุศลใช่แต่และาคิดฝ่ายกุศลอย่างที่คิดมาเมื่อกี้เมื่อไรจะเลิกเมื่อไรกูมาทําไมเนอะอยู่ที่บ้านข้าวมีอยู่อูมีนอนมีพัดลมใช้มีแอร์ใช้ะจะทําจะกินเนี่ยจะใช้อะไรสะดวกทุกเวลาท่องมามทรมานทําไม คิดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเป็นอกุศลอ่าเป็นอกุศลใช่ไหเพราะฉะนั้นตัวความสมุทัยทางจิตใจเนี่ยต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติเท่านั้นถึงจะแก้ได้อ่าแต่ว่าสมุทยัยคือความทุกข์ทางกายเนี่ยเพียงแต่ใช้สติบำบัดพิกเปลี่ยนไปตามเหมาะสมมันก็แก้หายแล้วแต่ว่าสมุทัยคือความอยากนั้นจะใช้สติอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้ปัญญาด้วยคือหมายความว่าเราต้องใช้เรียกปัญญาตัวนี้ว่ากุศลคือคนฉลาดคิดในทางที่มันถูกแต่ถ้าว่าคนไม่ฉลาดคิดคิดไปทางที่ผิดอย่างที่เราว่ามาัมมี่กี้ใช่ไเพราะนั้นการที่เราฉลาดคิดไปทางที่มันถูกเขาเรียกว่าปัญญาน่า mm hmm. เรียกว่าปัญญาปัญญาที่เป็นกุศลคือหมายความว่าฉลาดในการแก้ mm hmm. ในการดังนั้นตัวนิโรดนัด้นเกิดขึ้นเพราะอาศัย ตัวสติปัญญาเป็นตัวแก้แล้วนี่โลดต้องทําอะไรให้แจง้งให้ปรากฏให้ชัดให้ชัดไหมายเขาว่าที่เราไม่สบายใจเมื่อกี้ที่เราอยากเมื่อกี้ตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมมันหายไปจริงไหมหรือมันยังคาใจอยู่สํารวจเข้าไปชัดๆสํารวจไปแล้วมันไม่มีนะหมดไปใจเราสบายไหมพอใจเราสบายใจเราเย็นร่างกายก็าเป็นยังไงด้วย ที่ปวดที่เมื่อยที่ร้อนมันก็พอเย็นไปด้วยใช่ไหมอ่าแต่ถ้าหากว่ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยดูเหมือนยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งปวดยิ่งเมื่อยยิ่งขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหม อ, อันนี้มันมีผลนะนนมีผลต่อกันงหมดเวลาแนละ้วนี่หลวงพ่อจะต้องไปเทศทุ่มครึ่งตดี๋วนี้ไปลดเวลาวิ่งครึ่งชั่วโมงนะก็เดี๋ยวนี้งานสังคมเยอะขึ้นเนาะควาจริงไม่อยากจะรับงานนิมนต์เรื่องบรรยายภายนอกเพราะว่า ชาวบ้านนะเนเาะก็คือชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าด้วยญา่าทธิธรรมของเราคนที่เป็นมาปฏิบัติทำอะไรกับเราเมื่อก่อนนี้คนนี้มุนไปก็ไปพูดปลอบใจกันอยังงี้ไม่ได้ไปเทศเราคุยให้ฟังทําไงจะตายช้าทำไงจะป่วยช้าทำไงจะเจ็บช้าตายไปแล้วเจ็บไปแล้วป่วยไปแล้วงี้มันแก้ไขลําบากแต่ทําไงที่ให้มันไม่เจ็บง่ายไม่แก่ง่ายไม่ตายง่ายเนี่ยมาคิดกันเรื่องนี้ดีกว่า ไม่นำมาพูดก็เอาเรื่องนี้ไปพูดกับชาวบ้านนะก็ชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็รู้จักฟังขึ้นนะดังนั้นฝากเรื่องการไปดูเหตุของทุกทางกายแก้ไขอย่างไรเหตุของทุกทางจิตแก้ไขอย่างไรแล้วในช่วงที่เราเดินจุ ก, กุมสร้างจังหวะคอยสังเกตตัวปัญหาเกิดขึ้นทางกายแล้วฝึกแก้ไขมันเรื่อยๆอย่าแช่ แต่ส่วนใหญ่ขี้เกียจเดินโยงโกมจนง่วงก็ง่วงอยู่นั้นไม่ยอมแก้เดินยงโกมจนปวดก็ปวดอยู่นั้นไม่ยอมแก้เดินยงโกมจนเบื่อก็เบื่อทนเบื่อยงั้นไม่ยอมแก่นี่เขาเรียกขี้เกียจเดินทั้งวันก็ถือว่าขี้เกียจอ่าพราขี้เกียจแก้ปัญหาแต่การปฏิบัติวิปัสสนาต้องขยันแก้ปัญหาแล้วเราจะไม่เมื่อยไม่เบื่อไม่ง่วงไม่เหงาเลยยิ่งง่วงเราก็ยิ่งแก้ให้สนุกยิ่งแก้ก็ยิ่งเกิดอะไร ปัญญาใช่ไหมยิ่งแก้ยิ่งเกิดปัญญายิ่งแก้ยิ่งเกิดปัญญาแต่ที่เราไม่เกิดปัญญาเพราะว่าขี้เกียจเราก็นั่งหลับตาภาวนาหลับไปเลยง่วงไปเลยนิ่งไปเลยนี่ขี้เกียจมากมากเลยเพราะฉนั้นเมืองไทยของเราที่มันมีปัญหาเยอะเพราะคนขี้เกียจเยอะกรรมาฐานก็มาสอนกันให้ขี้เกียจอย่างนี้แหละมันจะแก้อะไรไม่ได้บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ประเทศไทยเราพุทธศาสนาเจริญมากปฏิบัติกันกรรมฐานเยอะแยะแต่ทำไมปัญหามันเป็นแบบนี้น่ะก็มีแต่เพราะขี้เกียจมาปฏิบัติอะ ยิ่เกตแก้ปัญหาไม่ใช่ยิ่เกตขยันทํามากทั้งวันทั้งคืนก็ได้เรียนจุคมสร้างเยวาวะทั้งวันก็ได้แต่ว่าเวลาปัญหาเกิดไม่ยอมแก้เข้าใจไหมฉะนั้นคนนี้หวังว่ามีแต่คนขยันนะขยันแก้ปัญหานะไม่ใช่ขยันทําอย่างเดียวถ้าขยันทำอย่างเดียวยมยไม่พอนะกายมีปัญหาตลอดแก้มันตลอดใจมีปัญหาเป็นบางครั้งเท่านั้นเองใช่ไหมกายมีตลอดอ น, นั่นเป็นการฝึกฝน สนามฝึกฝนปัญญาของเราแล้วเราแก้ปัญหาเรื่อยๆมันจะเป็นนักแก้ปัญหาแล้วต่อไปเรื่องทุกเรื่องในโลกไม่มีปัญหาเพราะเรารู้จักวิธีแก้หมดปัญหาที่แก้ยากที่สุดปัญหาเรื่องกายเรื่องใจของเราเองเท่านั้นเองใช่ไหมนขนาดของเราเองยังแก้ไม่ตกเลยไปแก้ปัญหาท้าอื่นไปนไงไม่ได้ <laughs> ขนาด เ, เดินม่วงอยู่ยังแก้ไม่ตกเราควรจะไปแก้ปัญหาอะไร <laughs> เดินปูนหลังปูดเอวอยู่คุณนีแก้ไม่ได้เดีวของคุณแท้ๆคุณเห็นมันแท้ๆคุณยังแก้ไม่จกแล้วคนอื่นเราไม่เห็นจะไปแก้ใครได้ออคิดง่ายๆอย่างนี้นี่จะไปคิดยากนนั้แล้วมันจะง่ายขึ้นในการแก้ปัญหาเข้าขใจนะโมรนาสาธุนะขอใ้มีตั้งใหญ่ภายใน3วันเจวันนี้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมสว่างไสวสามารถที่จะนําไปสองสว่างทางชีวิตให้เป็นนิมิตแห่งความสุขที่เกิดจากมรรผลนิพพาน ดกนการทุกคนทุกท่านเท่น